นาเคเสนกุมารบรรพชาในคราวนั้นพระอรหันต์ร้อยโกดก็ได้ให้นาเคเสนกุมารบรรพชาอยู่ที่ถ้ำลักขิตะเลนะนาเคเสนกุมารบรรพชาแล้วจึงกล่าวต่อพระโรหณะเถระว่ากระผมได้ถือเพศเหมือนท่านแล้วขอท่านจงสอนศิลปราสาทที่ละเอียดยิ่งให้กระผมเถิดพระโรหณะเถระจึงคิดว่า เราจะสอนอะไรก่อนดีเนอน้าเกษนี้มีปัญญาดีเราควรจะสอนอภิธรรมปิดกก่อนครั้นคิดแล้วจึงบอกว่าน้าเกษเธอจงตั้งใจเรียนสินรปสัตที่ละเอียดยิ่งของเรากล่าวอย่างนี้แล้วก็เริ่มแสดงอภิธรรมทั้งเจพระคำพีคือคมภีอภิธรรมสังคินีว่า กุศลธรรมมาอักุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาเป็นต้นและคำพีพิวังธาตุกระถาปูนคละบัญญัติกระถาวัตถุยมะกะปะฐานเป็นลำดับไปนาเกเษนสามเณรก็สามารถจำได้ทั้งสิ้นพอมาถึงตอนนี้ฉบับพิสดารพระนาว่าในขณะที่ฟังเพียงครั้งเดียวจึงได้กล่าวว่า ขอได้โปรดบอกเพียงเท่านี้ก่อนเถิดเมื่อกับผมท่องจําได้แม่นยําแล้วจึงค่อยบอกให้มากกว่านี้อีกต่อมานาคเษนสามนเณรก็ได้นําความรู้ที่เรียนมาพิจารณาเช่นในบทว่ากุศลธรร ม, มาได้แก่อะไรอกุศลธรรมมาได้แก่อะไรอัพยากตาธรรมมาได้แก่อะไร ดังนี้เป็นต้นท่านได้พิจารณาเพียงครั้งเดียวก็คิดเห็นเป็นกรรมฐานว่ามีความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยปัญญาบา ร, รมีที่ได้บาเพ็ญไว้มาแต่ชาติก่อนโน้นเมื่อคิดพิจารณาธรรมะอย่างท่วนทีแล้วนาคเษนสามเณรจึงได้เข้าไปกราบนมัสการพระอรหันต์ทั้งหลายพร้อมกับกล่าวว่า กระผมจะขอแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ตามที่ได้เรียนมาจากพระอุปชาโดยขออธิบายความหมายให้ขยายออกไปขอรับพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงอนุญาตให้สามเณรแสดงได้ตามความประสงค์สามเณรได้วิสัชนาอยู่ประมาณเจ็ดเดือนจึงจบในขณะนั้นเหตุอัศจรรย์ต่างๆ ก็เกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวก็เกิดวันไหวเทพยดานางฟ้าทั้งหลายก็แสดงความชื่นชมยินดีพรมทั้งหลายก็ตบมือสาธุ ก, การทุกคนต่างก็ร้องส่องสาธุการสรรเสริญปัญญาบารามีของสามเณรได้โปรยปลายผงจันทิพย์และดอกไม้ทิพย์ บ้างก็เลื่อนรอยบ้างก็ปล่อยล่อยเป็นปอยฝนตกลงมาหอมฟุ้งขจรขาจายไปทั่วบริเวณนั้นพระอรหันต์ร้อยโกรธก็ให้สาธุการแสดงความชื่นชมยินดีว่าแต่นี้ไปาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรจะรุร่งเรืองวัฒนา ถาวตรตลอดไป